เรื่องกิเลสคำที่เราได้พบมากที่สุดในสำนวนทางศาสนาทั้งสำนวนพูดทั้งสำนวนเขียนคือคำว่าธรรมะคำหนึ่งกับคำว่ากิเลสอีกคำหนึ่งถ้าฝังเทศก็ดูเหมือนจะมีคำนี้อยู่ทุกกันในสองคำนี้คำว่าธรรมะได้อธิบายมาแล้วทั้งทางพูดทางเขียนยังไม่ค่อยได้พูดอยู่แต่คำว่ากิเลสจึงอยากจะพูดเสียวันนี้ ก่อนอื่นขอให้คิดถึงอัธภาพของคนเราพูดฟังกันง่ายๆดีกว่าคือให้นึกถึงตัวเราเองว่าตัวเรานี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนคือกายกับจิตเรื่องนี้เอาเป็นผ่านไปได้เลยเพราะข้าพเจ้าได้อธิบายซ้าๆซากๆอยู่แล้วกายกับจิตรวมกันจึงเป็นคนฉะนั้นเกิดมาเป็นคนแล้วก็มีกายกับจิตด้วยกันทั้งนั้น จะดีจะชั่วก็อยู่ตรงนี้แหละกายกับจิตนี้เป็นธาตุคนละอย่างกายเป็นวัตถุธาตุส่วนจิตเป็นวิญญาณธาตุแต่ก็มีความเป็นไปคล้ายๆกันคือกายจเจริญเติบโตได้จิตก็จเจริญขึ้นได้เหมือนกันกายสูบซี่เสื่อมโทมได้จิตก็เสื่อมโสมได้เหมือนกันโปรดคิดถึงความเสื่อมโทมทางร่างกายก่อนจะได้โยงความเข้าใจทางจิตง่ายขึ้น เป็นที่รู้กันว่าโรคเป็นอันตรายของร่างกายเพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเสื่อมสู้ผอมอิดโรยถอยแรงแรงโรคมากขึ้นแรงกายก็ลดความเสื่อมโทมทางจิตก็คล้ายๆกันคือจิตก็มีโรคทำให้เสื่อมแต่ว่าโรคทางจิตนั้นพระท่านไม่เรียกว่าโรคแต่เรียกว่ากิเลกกิเลตก็คือโรคจิตนั่นเอง เพราะว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตเสื่อมผอมโซหิวโหอยอ่อนแรงและวิปริตไปต่างๆกำลังกิเลสมากขึ้นความดีของจิตก็ลดลงว่ามาเพียงเท่านี้ท่านจะเห็นได้แล้วว่าคำว่ากิเลสกิเลสนั้นหมายถึงอะไรคือหมายถึงโรคทางจิตนั่นเองเหตุใดโรคทางจิตท่านจึงเรียกว่ากิเลส จะเรียกว่าโรคตรงๆเหมือนโรคทางกายไม่ได้หรือเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงคือการที่แสดงออกมาที่เรียกนั้นเรียกให้ตรงกับอาการสิ่งที่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยนั้นมันมีอาการเสียแทงทำให้ยอกให้ขัดให้คัดให้เคล็ดซึ่งรวมแล้วเป็นอาการเสียแทงลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอย เหมือนมีอะไรแทงอย่างนั้นแหละคำว่าแทงแทงนี่ภาษาบาลีว่าโรคะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ร่างกายป่วยจึงเรียกว่าโรคะทีนี้จิตของเราเวลาไม่สบายปรากฏว่าจิตจะคิดอ่านอะไรมันไม่สว่างไม่แจ่มใสมีอาการมัวมัวเช่นกำลังนั่งคิดเลขอยู่ดีๆพอเกิดความโกรธขึ้นความคิดก็มืดมัว ไม่แจ่มใสคำว่ามืดๆ ม, มัวๆหรือเศร้าหมองนี้ภาษาบาลีใช้คำว่ากิเลสแปลว่าสิ่งเศร้าหมองตรงตัวด้วยเหตุนี้สำนวนจึงต่างกันภาษาธรรมะมักจะเป็นแบบนี้คือคำแปลบ่งความหมายลึกซึง้งข้าพเจ้าชอบศัพทธรรมะมากแต่คำอย่างนี้พอมาอยู่เมืองไทยนานๆเข้าก็จะถูกใช้นอกหน้าที่ไปเสียแยะเช่นคาว่าศรัทธา ซึ่งมาในทางศาสนาหมายถึงความเชื่อในธรรมเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษและโดยเฉพาะเราใช้ในเรื่องการทำบุญใครมีศรัทธามากน้อยเท่าไหร่ก็ทำไปแต่คราวหนึ่งนานมาแล้วข้าพเจ้านั่งรถไฟไปตำบลระแหงจังหวัดปทุมธานีสมัยนั้นมีรถไฟเล็กๆ เ, เวลาออกวิ่งสั่นเหมือนเจ้าเข้าเดี๋ยวนี้เลิกกิจการไปแล้ว ไปเห็นแผ่นป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าสถานีแห่งหนึ่งใจความที่จำได้ว่าอย่างนี้จเจริญศรัทธามายังท่านสับปุษทั้งหลายด้วยบ่อนไก่ที่ตาบล น, นี้ได้ซ่อมแซมเป็นการเรียบร้อยแล้วจะได้เปิดชนไก่ตั้งแต่วันค่ำหนึ่งเดือนสิบเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายไปร่วมสนุกครั้งนี้ส่วนผู้ใดจะลงเดิมพันเท่าไหร่ ก็ตามแต่ศรัทธาเถิดนี่พูดแล้วก็เลยไกลออกเรื่องขอโทษด้วยเรื่องสำนวนทางธรรมานั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเราสงวนไว้ใช้ให้ถูกความประสงค์ก็จะดีเป็นการช่วยการรักษาศาสนาไปในตัวพวกเข้าหาเรื่องโรคทางจิตอีกทีได้ว่าแล้วว่ากายก็มีโรคใจก็มีโรคคือมีเรื่องที่จะต้องเจ็บป่วยเหมือนกัน เราจะรู้ว่าตัวมีโรคต้องสังเกตอาการผิดปกติของตัวเราเองเรื่องอาการโรคทางกายนี้เคยได้ยินหมอแผนโบราณคนหนึ่งเขาคุยหน้าฟังเขาว่าโรคทางกายมีอาการเจ็ดอย่างคือ 1. เจ็บ 2. ปวด 3. แสบ 4. ร้อน 5. เย็น 6. คันและ7ชา นอกจากนี้ก็เป็นเพียงอาการผสมเช่นมันมีอาการเจ็บด้วยปวดด้วยเราก็เรียกว่าเจ็บปวดถ้าทั้งเจ็บทั้งคันผสมกันเราก็พูดว่าเจ็บเจ็บคันคันบางทีผสมกันถึง3อาการคือปวดแสบร้อนเราก็พูดว่าปวดแสบปวดร้อนเขาว่าอย่างนี้เข้าทีดีเหมือนกันย้อนมาคิดถึงโรคทางจิต จิตของเราถ้าถูกโรคคือกิเลสเล่นงานเข้าแล้วจะแสดงอาการออกมาสามอย่างคือหิวร้อนมืดหิวร้อนและมืดสามอย่างนี้เป็นอาการของโรคทางจิตถ้าใครรู้สึกว่าจิตมีอาการอย่างนี้พึงรู้ตัวว่าโรคคือกิเลสได้เกาะใจเขาแล้วซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในชั้นนี้โปรโดรับทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนว่า ตัวเรานี้มีสิ่งอยู่สองสิ่งคือกายกับจิตแต่และอย่างก็มีโรคเป็นเครื่องบันทอนอาจเจ็บป่วยได้ร่างกายนั้นตามปกติป่วยอยู่ที่บ้านไปรักษาที่โรงพยาบาลถ้าไม่หายก็เข้าวัดส่วนจิตก็ป่วยอยู่ที่บ้านเหมือนกันแล้วเข้าไปรักษาในวัดถ้าไม่หายก็อาจเข้าตารางกิเลสสามตระกูล จำนวนของกิเลสทั้งสิ้นมีอยู่เท่าไรและคนเราแต่และคนมีกิเลสอยู่คนละเท่าไหร่ยังไม่เคยพบยอดสถิติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ส่วนที่แสดงนั้นเป็นการแสดงออกเป็นเรื่องๆเช่นกิเลสที่เป็นมูลฐานของความชั่วสามอย่างกิเลสที่ทำให้คนเสียศักดิ์ศรี16อย่างกิเลสที่ทำให้คนพัวพันอยู่ในโลก10บอย่างดังนี้เป็นต้น แต่แล้วกิเลสอย่างเดียวก็ปรากฏชื่ออยู่สองสาแห่งก็มีรวมความว่าไม่มียอดรวมที่แน่นอนก็เห็นจะเหมือนอนกับโรคทางกายนั่นแหละมีมากมายและส้ำสนสับสนจนไม่รู้จะนับอย่างไรเวลานี้เราเองก็นับไม่ถูกเหมือนกันว่าโรคทางกายนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นมีเท่าไหร่แม้แต่จะจำว่า ตั้งแต่เกิดมานี้เราป่วยเจ็บกี่ครั้งแล้วก็จําไม่ได้เสียด้วยซ้ําในชั้นเกจิอาจารย์คือครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆเห็นมีคําพูดติดปากอยู่คําหนึ่งว่ากิเลสพันหตัณหาร้อที่ว่ากันว่ากิเลสพันหก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองไม่ใช่หมายความว่ากิเลสมีจํานวนพั0หอย่างทุน่ทนๆนหาไม่ได้คําว่าพันห ดูจะเป็นเพียงสำนวนที่บอกว่ามากมายเท่านั้นไม่ได้ต้องการจะให้ใครนับแม้จะมีวิธีนับให้ลงตัวอยู่บ้างก็เป็นเพียงหาตัวคูณให้ผลลัพธ์ไปตรงกันเท่านั้นคล้ายๆกับคำว่า5้าที่เราว่าว่ากันนั่นแหละเดิมจริงๆเห็นท่านใช้เป็นจำนวนโจรมีโจร500อยู่ในป่าโน้นป่านี้แต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าโจรพวกนั้นได้มีคนครบ500ท้วนพอดี เพราะเท่าที่สังเกตดูเรื่องต่างๆแล้วจะเห็นว่าโจรคณะใหญ่ๆแทบทุกคณะมีจำนวน500แทบทั้งนั้นดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะโจรแต่ละกกนั้นเขาตั้งขึ้นเองไม่ได้มีกรรมการหรือสภากําหนดอัตราโจรว่าต้องบรรจุ ก, กำลังโจรเท่านั้นเท่านี้เหมือนอย่างกองทหารเขาไม่มีอย่างนั้นต่างคนต่างหาวิธีซ่องสมโจรเอาเอง แล้วเหตุใดจึงต้องมีกำลัง500เท่ากันหมดที่จริงคำว่า500เป็นเพียงสำนวนพูดเท่ากับบอกว่ามีมากเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของชาวบ้านเห็นว่าจำนวน500ออกจะเฮี้ยนๆอยู่โดยปกติก็ถือว่าเป็นจำนวนของพวกโจรว่าโจร500และต่อมาก็ใช้สำหรับว่าถึงความบ้าของคนว่าคนบ้า500จําพวก บางครั้งใช้กันลอยๆแบบคลุมถุงก็มีเช่นว่าคนที่ออกจาร่ายว่าไอ่ห้าร้อย่างนี้ก็ไม่รู้ว่า500อะไร500บ้าหรือ500โจรก็ไม่ระบุชัดเคยเห็นบางคนเกลียดจํานวน500เอามากทีเดียวจนถึงว่าถ้าจํานวนนักเรียนในโรงเรียนหรือจํานวนทหารในกองครบจํานวน500เป็นไม่ยอมบางทีก็ชักออกเสินหนึ่ง หรือหาทางเพิ่มอีกหนึ่งไม่ยอมให้ทุนท่วนเขาว่าถ้าจำนวน500พอดีปกครองลำบากมักจะชอบยกพวกไปก่อเรื่องวุ่นวายเท็จจริงท่านผู้อ่านสังเกตเองก็แล้วกันข้าพเจ้าเองก็ยังไม่เคยปกครองคนถึง500สักทีเคยโดนแต่ขนาดเศษของ500อบางคราวก็ปวดเสียงอาการอยู่เหมือนกันจานวนกิเลส ถ้าแยกตามอาการที่มันทําให้จิตวิปริตก็ไม่ยากทั้งศาสนาท่านก็แยกตามรูปนี้และเอาชื่อของอาการที่แสดงออกนั่นเองมาเป็นชื่อกิเลสเมื่อแยกตามอาการดังกล่าวกิเลสทั้งสิ้นมีอาการใหญ่ๆ3อาการเท่านั้นข้าพเจ้าเรียกเอาง่ายๆว่ากิเลส3ตระกูลคือตระกูลที่1ได้แก่กิเลสจําพวกทําให้จิตหิวให้อยากได้ อยากกอบโกยเอามาเป็นของตัวอยากหวงแหนอยากสะสมไว้ประเภทนี้มีกิเลสที่เด่นอยู่คือโลภะคือความอยากได้ในทางทุจริตข้าพเจ้าตั้งให้เป็นตระกูลหนึ่งเรียกว่าตระกูลโลภะตระกูลที่สองได้แก่กิเลสจําพวกทําให้จิตร้อนให้คิดอยากล้างผลาญอยากทําความพินาศต่างๆเช่น อยากฆ่าอยากดาอยากเผาบ้านเรือนของเขาเป็นต้นประเภทนี้มีกิเลส ท, ที่เด่นอยู่คือโทสะคือความคิดร้ายจึงตั้งตระกูลให้ตระกูลหนึ่งเรียกว่าตระกูลโทสะตระกูลที่สามได้แก่กิเลสจำพวกทำให้จิตงุนงงหลงไหลลอยมัวเมามืดกิเลสประเภทนี้ที่มีชื่อเด่นอยู่คือโมหะ คือความล่มหลงจึงตั้งเป็นอีกตระกูลหนึ่งเรียกว่าตระกูลโมหะโลภะโทสะโมหะทั้งสนี้เป็นตัวกิเลสและเป็นกิเลส ช, ชั้นนำมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วเวลาจัดแยกประเภทกิเลสออกเป็นสามตระกูลแล้วทั้งสามนี้เป็นหัวหน้าตระกูลเหล่านั้นเรื่องกิเลสสามตระกูลนี้บางทีข้าพเจ้าใช้สัมโนอธิบายว่า กิเลสสามเงาและได้ให้ภาพผนวกไว้ให้ดูชัดๆดังนี้อธิบายประกอบภาพภาพนี้เดิมทีจริงๆข้าพเจ้าทำขึ้นอัดโรเนียวแจกผู้ฟังปาฐกถาเรื่องกิเลสที่ยุวพุทธทิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในกรุงเทพต่อมาได้มีกษัตริย์ปตานีผู้หนึ่งทำแม่พิมพ์ขึ้นพิมพ์แจก แล้วต่อมาได้มีผู้สนใจขออนุญาตพิมพ์แจกจ่ายกันอีกหลายครั้งหลายคราวแล้วผู้ได้รับและมาปรารพบกับข้าพเจ้าส่วนมากเขาบอกว่าเขาสามารถจะเข้าใจประเภทของกิเลสได้อย่างง่ายดายเหลือเกินเมื่อได้ดูภาพนี้ในปาทกถาเรื่องนั้นข้าพเจ้าเปรเียบความชั่วร้ายของคนกับดอกอุตพิษซึ่งงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้เข้าใกล้ ข้าพเจ้าได้เน้นว่าการเอาชนะความชั่วร้ายของมนุษย์โดยวิธีสับดอกอุทพิษทิง้งหรือตัดก้านอุจพิษเสียนั้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่เสร็จเรื่องสับทิ้งแล้วมันก็งอกได้อีกสับร้อยครั้งมันก็งอกได้ร้อยหนเพราะมันมีเง้าอยู่ในดินเมื่อยกเอาอุทพิษเป็นตัวเชิดภาพนี้เลยออกเป็นรูปดอกอุทพิษ ที่ดอกอุตภิทชูสล่อนนั่นเปรียบกับความชั่วของคนได้เขียนติดไว้ที่ดอกนั้นๆแล้วว่ามีความชั่วอะไรบ้างแต่ที่เขียนไว้นี้อย่างน้อยเขียนไว้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นเพราะความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากว่ากันว่าความร้ายของเสือในป่าคนคนเดียวก็สามารถจะพรันา น, านาได้ครบถ้วนแต่ความร้ายของคนคนเดียวต่อให้เสือทั้งดงมาช่วยกันนับก็ นับไม่หวัดไหวแม้แต่ว่าความชั่วร้ายของคนจะมีมากมายหลายสัมเมื่อดูในภาพนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุมันงอกออกมาจากมวลเหตุซึ่งซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกับเงาอุจจพิษสุกอยู่ใต้ดินนั่นแหละเงาซ้ายสุดจะเห็นได้ว่าความชั่วร้ายต่างๆประเภทกอบกรยเข้าหาตัวเกิดจากกิเลสเงาหนึ่งต่างหากพูด อย่างที่พูดมาแล้วก็เรียกว่าเป็นตระกูลหนึ่งหรือวงหนึ่งหรือกอก1ที่เรียกว่าตระกูลโลภะคือมีโลภะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีกิเลสประเภทเดียวกันเป็นกองหนุนหรือเป็นสมุนบริวารเง่ากลางเป็นพวกความชั่วร้ายที่มุ่งไปในทางล้างผลาญทำให้วินาศวัดวายนี่เป็นตระกูลโทสะเล็กกว่าทุกเง่าแล้วเมื่อดูตามลงไปถึงที่สุดเง่า จะเห็นได้ว่าเงาโทสะนี้แยกออกจากเงาโลภนั่นเองเพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่าความโกรธย่อมเกิดจากความอยากได้คืออยากได้แล้วไม่ได้ใจมันก็เลยโกรธที่โกรธนั้นก็คือโกรธจะเอานั่นเองเวลาพูดอวดความโกรธควรจึงชอบพูดกันว่าโกรธเอาไม่เห็นมีใครบอกว่าโกรธไม่เอาอยากไปดูลิเกไม่ได้ไป อยากดูหนังไม่ได้ดูอยากได้เครื่องแต่งตัวแล้วไม่ได้ใจมันก็เลยโกรธเอาเวลาพระอริยเจ้าทาละกิเลสท่านละลายโทสะนี้ได้ก่อนสายอื่นเง้าขวาสุดนี่ก็เป็นอีกเง้าหนึ่งของกิเลสเรียกว่างเง้าโมหะเป็นกิเลสจำพวกทำให้จิตเกิดความโง่เขลาเมาหลงลอยมืดดูที่ดอกอุติพิษเงานี้สิมีแต่ความผิดในเรื่องโง่โงเขลาๆทั้งนั้น เทียบกับเงาอื่นแล้วเงานี้ใหญ่อ้วนรากก็ลึกโน่นไปสุดเอาอาวิชชาท่านลองยื่นแผ่นภาพนี้ออกไปห่างๆตัวท่านสักหน่อยยื่นออกไปให้สุดแขนอย่าให้ข้อศอกงอพะงะศีรษะไปข้างหลังเล็กน้อยจะเห็นได้ว่ากิเลสเงาโลภะกับเงาโทสะได้แยกแขนออกไปจากเงาโมหานี่เองมันแยกตรงแถวมานะ นั่นอย่างไรอธิบายว่าแรกเริ่มเดิมทีจริงๆจิตของเรามีกิเลสคืออวิชชาคือความไม่รู้สัจธรรมแล้วก็มีอุทจฉาความฟุง้งซ่านคือจิตฟุง้งที่ฟุ้งก็ฟุ้งเพราะไม่รู้เพราะปัญญาอ่อนคือตามธรรมดาจิตของคนเราถ้าความคิดกับปัญญาได้สัดส่วนกันย่อมปรับโปร่งแต่ถ้าความคิดมากปัญญาน้อย เข้าลักษณะความรู้ไม่ทันความคิดก็กลายเป็นฟุง้งเหมือนกองไฟที่อับแสงมักจะมีควันมากจิตนั้นลงได้ฟุ้งซ่านแล้วมานักก็ตามมาคือเกิดความถือต่างๆถือเราถือเขาเมื่อมีเราขึ้นแล้วความรักตัวก็เกิดขึ้นกิเลสก็เลยแยกแขนงออกไปอีกสายหนึ่งคือสายโลภะเป็นสายที่จะบำเรอตัวเรานั่นเอง อยากให้เราเป็นอยากให้เราได้อยากให้เรามีเอาเราออกหน้าทั้งนั้นพฤติการของคนทุกวันนี้ถ้าสังเกตดูให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าทุกคนได้ถือเอาเราออกหน้าทั้งนั้นจะทำอะไรก็เพื่อเราหรือไม่ก็เมียเราผัวเราลูกเราหลานเราญาตเราพวกเราบ้านเรานาเราหมาเรา แมวเราและอื่นๆตกลงทุกคนเดินตามเราวิ่งตามเราพูดกันให้เด็ดขาดก็คือเป็นธาตุของเรานั่นเองเมื่อเกิดมีเรามันก็ต้องมีเขาถ้าใครเขามาทำอะไรหรือมาพูดอะไรที่จะทำให้เราได้รับความเสียหายจิตก็เดือดดาลไม่พอใจที่เขามาทำอย่างนั้นแก่เรากิเลสก็เลยแยกแขนไปอีกสายหนึ่งคือสายโทสะ สายนี้มีหน้าที่โดยตรงที่จะทำลายเขาถ้าเป็นผู้เป็นคนก็เห็นจะเรียกว่าลูกสมุนคอยคุ้มครองให้เราได้พองตัวเต็มที่ด้วยเหตุนี้รูปแสดงกิเลสสายโทสะจึงแสดงให้เห็นว่าแยกจากสายโลภะดังในภาพรวมเป็นกิเลสสามสายหรือสามเงาสามตระกูล แต่ละตระกูลก็มีลูกกิเลสหลานกิเลสอีกแยะและโปรดสังเกตด้วยว่ากิเลสแต่ละสายเริ่มฟักตัวขึ้นจากจุดละเอียดแล้วค่อยๆทวีความรุนแรงคือความหยาบหยาบขึ้นจนทะลักออกมาเป็นกรำรคล้ายกับอุทตพิษออกดอกปรากฏบนพื้นดินอย่างนั้นแหละเหลือไปดูวิวทางซ้ายสุดโน่นนิดท่านจะเห็นกำแพงยาวและสูงมีป้อมยามถืออาวุธควบคุมแข็งแรง ข่้นทายได้แล้วไม่ใช่หรือว่าที่นั่นเป็นอะไรถูกแล้วคุกสถานที่อย่างนี้มันไม่ควรจะมีอยู่บนพื้นแผ่นดินอันคับแคดนี้เลยกีดขวางบ้านเมืองเสียที่ทำอาหากินและซ้ำยังเกะ ก, กะลูกในตาชาวบ้านชาวเมืองแต่แล้วทุกประเทศก็จำใจต้องเจียดเอาแผ่นดินของตนและเงินรายได้แผ่นดินก่อสร้างมันขึ้นไว้เพื่อใช้เป็นที่ควบคุมเง้าอุตภิด มิให้เป็นภัยแก่มหาชนท่านที่เคารพคนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่อันทุกข์ทรมานนั้นเขามีกายมีใจมีท่าทั้งสขันทั้งห้าครบบริบูรณ์เหมือนเร า, เราท่านๆ น, นี่แหละเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเขาไม่ใช่คนเลวแต่เขาเป็นคนเคราะร้ายที่โรคร้ายคือกิเลสได้แทรกเข้าไปเกิดอยู่ในจิตของเขาแล้วก็แผลงฤทธิ์ทำให้เขาลําบากลําบน เขาจึงไม่ใช่คนที่เพื่อนมนุษย์ผู้มีธรรมะจะพึงดูถูกเกียดติยามแต่เป็นคนที่ควรได้รับการแผ่มเมตตาการุณาให้เกีตเขามากๆจงนึกเถิดว่าตัวเรานี้ถ้าปล่อยให้กิเลสเกาะใจมากๆก็จะตกไปสู่สภาวะอย่างนั้นได้ทุกคนจะทำอย่างไรล่ะท่านแม้แต่โรคทางกายเรายังเลือกเอาไม่ได้ว่าเราจะเป็นโรคนั้นจะไม่ยอมเป็นโรคอย่างนี้ โรคทางจิตใจยิ่งลึกซึ้งกว่ากิเลสมันจะเข้ามาอยู่ในใจเราเมื่อไหร่มันจะบอกกล่าวเราสักคำก็เปล่ากว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อสามเง่านั้นมันโตขึ้นจนครับใจนั่นแหละสมัยนี้ในวงการแพทย์เขากลัวโรคเนื้องอกว่ารักษายากนักใครเป็นเข้าแล้วแย่ทุกคนนั่นโรคทางกายยกให้หมอสาหรับเรา นักธรรมะมีโรคทางใจที่น่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งคือโรคกิเลสงอกโรคเนื้องอกอาจทาให้เราเสียชีวิตส่วนโรคกิเลสงอกอาจทำให้เราเสียผู้เสียคนทีเดียววิธีระวังก็คือหมั่นตรวจดูใจตนเองว่ามีอาการหิวร้อนและมืดขึ้นในใจหรือไม่ถ้ามีก็รีบหาวิธีรักษาเสียอย่านอนใจ